ตรัสรู้ปฏิจจะสมุปบาทก็ได้คำตอบทั้งสองนั้นต่างก็มีพุทธพจน์เป็นที่อ้างยืนยันได้ข้อควรทราบก็คือคำตอบทั้งสองอย่างนั้นตามที่จริงแล้วก็ถูกต้องด้วยกันและมีความหมายลงกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกล่าวคือปฏิจจะสมุปบาทก็เป็นเนื้อหาสำคัญของอริยสัจและอริยสัจก็มีความหมายครอบคลุมปฏิจจะสมุปบาท เรื่องนี้เป็นอย่างไรพึงพิจารณาเริ่มตั้งแต่หลักฐานที่มาในคำภีคมภีวินัยปิดกเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆหลังจากเสวยวิมุตติสุขหนึ่งสัปดาได้เสด็จออกจากสมาธิแล้วทรงพิจารณาปฏิจจะสมุบาทที่ได้ตรัสรู้นั้นตลอดเวลาสามยามแห่งราตรีโดยอนุโลมโดยปฏิโลม และทั้งอนุโลมและปฏิโลมตามลําดับต่อมาเมื่อสิ้นระยะสวยวิมุติสุกเจ็ดสัปดาห์แล้วเมื่อปรารบการที่จะทรงประกาศธรรมแก่ผู้อื่นต่อไปทรงพระดำริว่าธรรมะที่เราได้บรรลุเหล่านี้เป็นของลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสำหรับมูประชาผู้เริงรมเรื่นระเริงอยู่ในอาลัยฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือ ทัปปัจยะตาปฏิจจสมุบบาทแม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยากกล่าวคือนิพพานส่วนในพระสูตรคือทิมชิมานิกายมูลปันนาฏและมาชิมานิกายมาชิมาาปันนาฏเมื่อปรากฏข้อความเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนนี้ก็จะเล่าความแนวเดียวกันเริ่มแต่พุทธดำริที่เป็นเหตุให้เสด็จออกผนวด การเสด็จออกผนวดการทรงศึกษาในสำนักอาราดาบทและอุตการดาบทการบำเพ็ญและการละเลิกทุกขารกิริยาการทรงกลับเสวยพระกระยาหารและบรรลุชานและตรัสรู้วิชาสามในตอนตรัสรู้มีข้อความที่ตรัสเล่า ว, ว่าครั้นเราบาริโภคอาหารมีกำลังขึ้นแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย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 เป็นวิชาที่หนึ่งได้น้อมจิตไปเพื่อจุดูปปารทยานก็มองเห็นหมูสัตว์ที่จุติอุบัติอยู่เป็นวิชาที่สองได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวะขย้ายยานก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาไมินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทยัย นิอสวะนิโรธนิอสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้จิตได้หลุดพ้นแล้วจากกามาสวะภวาสวะและอาวิชาสวะเป็นวิชาที่สามต่อจากนี้ก็มีคำบรรยายพุทธดำริในการที่จะทรงประกาศธรรมซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกับในวินัยปิฎก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 เล่าเหตุการณ์ก่อนตรัสรู้เป็นลำดับมาจนถึงตรัสรู้วิชาสามแล้วข้ามระยะเสวยวิมุตติสุขทั้งหมดไปมาลงที่พุทธดดาริที่จะไม่ประกาศธรรมเพราะความยากของปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเช่นเดียวกันผู้ถือเอาความตอนทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาทในวินยัยปิฎกและพุทธดําริปราลบการประกาศธรรมทั้งในวินยัยปิฎกและในพระสูตร ย่อมกล่าวได้ ว, ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทส่วนผู้พิจารณาความในพระสูตรเฉพาะเหตุการณ์ตอนตรัสรู้วิชาสามและจับเฉพาะวิชาสามอันเป็นตัวการตรัสรู้แท้คือเฉพาะวิชาสองอย่างแรกยังนับไม่ได้ว่าเป็นการตรัสรู้และไม่จําเป็นสําหรับนิพพานจับเฉพาะวิชาสาม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 ความหมายที่ตรงกันของหลักใหญ่ทั้งสองนี้มองเห็นได้ง่ายเพื่อความรวบรัดขอให้ดูหลักอริยสัจเทียบกับหลักปฏิจจสมุปบาทดังนี้ 1. สมุทยาวาระอวิชชาเกิดสังขารเกิดไปจนถึงชาติเกิดชาราโมระโสกะจนถึงอุปายาตเกิด 2. นิโรธวาระอวิชาดับสังขารดับไปจนถึงชาติดับชจรามรณะโศกะจนถึงอุปาญาตดับข้อหนึ่งคือปฏิจจสมุปบาทสมุทัยาวาร ะ, ะแสดงกระบวนการเกิดทุกข์เท่ากับรวมอริยศัสตร์ข้อหนึ่งคือทุกข์และสองคือสมุทยัยไว้ในข้อเดียวกัน แต่ในอริยศาสตร์แยกเป็นสองข้อเพราะแยกออกท่อนท้ายคือชาติชรามรณะจนถึงอุปายาตที่เป็นผลปรากฏออกไปตั้งต่างหากเป็นอริยศาสตร์ข้อแรกในฐานะเป็นปัญหาที่ประสบซึ่งจะต้องแก้ไขและจึงย้อนกลับมาหาท่อนที่เป็นกระบวนการทั้งหมดตั้งเป็นข้อที่สองในฐานะเป็นการสืบสาวหาต้นเหตุของปัญหา ข้อที่สองคือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระแสดงกระบวนการดับทุกข์เท่ากับอริยศัสตร์ข้อที่สาคือนิโรธแสดงให้เห็นว่าเมื่อแก้ปัญหาถูกต้องตรงสาเหตุแล้วปัญหานั้นจะดับไปได้อย่างไรตามแนวของเหตุปัจจัยแม้ว่าโดยตรงปฏิจจสมุปบาทในยานี้จะตรง กับอริยสัจข้อที่สแต่ก็ถือว่ากินความรวมถึงอริยสัจข้อที่4ได้ด้วยเพราะกระบวนการดับสลายตัวของปัญหาย่อมบ่งชี้แนวทางดำเนินการหรือวิธีการทั่วไปที่จะต้องลงมือปฏิบัติในการจัดการแก้ปัญหานั้นไปด้วยในตัวกล่าวคือชี้ให้เห็นว่าจะต้องทำอะไรบ้างณจุดใดๆ เมื่อสรุปอริยสัจให้เหลือน้อยลงอีกก็ได้สองข้อคือฝ่ายมีทุกข์ในข้อหนึ่งและข้อสองกับฝ่ายหมดทุกขในข้อสามและข้อสี่ปฏิจจสมุปบาทสองนัยนั้นในที่บางแห่งเป็นคำจำกัดความของอริยสัจข้อที่สองและสามตามลำดับคือปฏิจจสมุปบาทสมุทัยาวาระ ถือเป็นคําจํากัดความของอริยศาสตร์ข้อที่สองคือสมุทยัยปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระเป็นคําจํากัดความของอริยศาสตร์ข้อที่สคือนิโรธแต่ในคําจํากัดความข้างต้นแสดงเฉพาะตัณหาอย่างเดียวว่าเป็นสมุทยัยและการดับตัณหาว่าเป็นนิโรธ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 อริยสัสตว์เป็นหลักความจริงในรูปแบบที่เสนอตัวต่อปัญญามนุษย์ในการที่จะสืบสวนค้นคว้าและทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยในยะนี้อริยศาสตว์จึงเป็นหลักธรรมที่แสดงโดยสอดคล้องกับประวัติการสแสวงหาสัจ ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าเริ่มแต่การเผชิญความทุกข์ที่ปรากฏเป็นปัญหาและสืบสาวหาสาเหตุ พบว่ามีทางแก้ไขไม่หมดหวังจึงกำหนดรายละเอียดหรือจุดที่ต้องแก้ไขและกำหนดเป้าหมายให้ชัดแลด้วดำเนินการแก้ไขตามวิธีการจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้นแล้วโดยในยาเดียวกันจึงเป็นหลักธรรมที่ยกขึ้นมาใช้ในการสั่งสอนเพื่อให้ผู้รับคำสอนทำความเข้าใจอย่างมีระเบียบ มุ่งให้เกิดผลสําเร็จทั้งการสั่งสอนของผู้สอนและการประพฤติปฏิบัติของผู้รับคำสอนส่วนปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวกระบวนธรรมแกนกลางของอริยสัสตว์และเป็นเนื้อหาทางวิชาการที่จะต้องศึกษาในเมื่อต้องการเข้าใจอริยศัสตว์ให้ชัดเจนถึงที่สุดจึงเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาทบทวนหลังจากตรัสรู้ใหม่ ข้อสรุปที่สองข้อที่แปลกหรือพิเศษกว่ากันอย่างสำคัญอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระซึ่งตรงกับอริยสัจข้อที่สมและสคือนิโรธและมักกล่าวคือเมื่อเทียบกับอริยสัจข้อที่สคือนิโรธจะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระกล่าวถึงนิโรธด้วยก็จริง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 ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัญหาวิราคะนิโรดนิพพานนิแสดงว่าทรงยกธรรมที่ตรัสรู้เป็นสองอย่างคือปฏิจจสมุปบาทกับนิโรธหรือนิพพานส่วนอริยสัจข้อที่สคือนิโรธ มุ่งแสดงตัวสภาวะของนิโรธเป็นสำคัญแต่มีความหมายเล็งไปถึงกระบวนการเข้าถึงนิโรธแฝงอยู่ด้วยแม้ว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่านิโรธวาระจะกินความรวมถึงอริยศัสตร์ข้อ4คือมรด้วยแต่ก็ยังไม่ผลในทางปฏิบัติชัดเจนเพราะปฏิจจสมุปบาทแสดงแต่ตัวกระบวนการล้วน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 แต่ไม่ได้สั่งยาและวิธีปฏิบัติในการรักษาไว้ให้ส่วนในอริยสัจมีหลักข้อที่สคือมัจซึ่งจัดขึ้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติของมนุษย์โดยเฉพาะให้เป็นสัจจะข้อหนึ่งต่างหากในฐานะข้อปฏิบัติที่พิสูจน์แล้วยืนยันได้ว่านำไปสู่จุดหมายได้แน่นอน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 ถือว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นมัชเชนะธรรมเทศนาคือหลักธรรมที่แสดงเป็นกลางๆหรือธรรมะสายกลางตามที่ธรรมชาติเป็นอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมันครอบคลุมอริยสัจสามข้อแรกส่วนอริยสัจข้อที่สคือมัชเป็นมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางสาหรับมนุษย์ที่จะปฏิบัต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 หรือพูดให้สัมพันธ์กับนิยาที่สองว่าเป็นส่วนแก่นแท้ของอริยสัจเป็นด้านธรรมชาติและธรรมดาของมันเป็นตัวแท้ๆล้วนๆของธรรมะซึ่งเข้าใจได้ยากอย่างยิ่ง 2. อริยสัจส์่ตรัสในคราวทรงเล่าลำดับแห่งการปฏิบัติจนตรัสรู้ของพระองค์เอง และในคราวทรงแสดงธรรมสั่งสอนผู้อื่นเริ่มแต่ในายปฐมเทศนาการตรัสในแง่นี้หมายความว่าอริยสัจสีคือธรรมะที่ได้ตรัสรู้ทั้งหมดซึ่งปรากฏในรูปลักษณะที่จัดเข้าลาดับเป็นกระบวนการขั้นตอนโดยคำนึงถึงความสามารถที่จะเข้าใจและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อมุ่งให้สอนเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ผล พูดอีกอย่างหนึ่งปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเป็นแต่ธรรมะล้วนๆตามธรรมชาติส่วนอริยสัจสีคือธรรมะในรูปที่มนุษย์จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือที่นำเสนอในเชิงที่เอื้อต่อความเข้าใจและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์พร้อมนั้นก็พูดได้ว่าอริยสัจสี่คือธรรมะทั้งหมดซึ่งเป็นแกนแท้เข้าใจยากที่สุด